อากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีในพระธรรมวินัยนี่พระพุทธเจ้าทรงสอนในคนเราหมั่นขยันทำความเพียรํำระกิเลสในใจให้น้อยเบาบางไป มันจึงจะพ้นจากทุกข์ได้บุคคลผู้ที่เกียจคร้านทำความเพียรม่เคารพต่อระเบียบของข้อปฏิบัติเห็นแต่แก่รับแก่นอนเห็นแต่แก่อยู่แก่กินย่อมไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนา คือความพ้นทุกข์ได้แก่บรรลุถึงความสุขอันกเกษมสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานได้รับความสุข ก, ก็สุขชั่วคราวพอเดียวพอดาวก็หายไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนตราบใดมนุษย์เรายังไม่เห็นทุกข์ภายในสงสารแล้ว มันก็ประมาทอยู่นั่นแหละเพราะมันติดสุขชั่วคราวข้อนี้อยากแก้พูดแล้วพูดอีกเพราะว่าคนทั้งหลายมันติดจริงๆไนงะติดความสุขชั่วคราวอ่ะอืเมื่อมันไม่ละความสุขชั่วคราวนี้แล้วมันก็ไม่ได้รับความสุขอันไพ่บูรณ์อ่าเป็นอางั้น ดังนั้นขอให้เข้าใจไว้ว่าพระธรรมวินัยคำสอนวิจเจ้านั้นสอนให้คนเรามั่นขยันเริ่มต้นตั้งแต่มั่นขยันทำบุญทำทานนี่แหละการทำทานนี่นักบวชก็ทำได้ครึง่งัตก็ทำได้ และเป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องทำเรื่องหัดมันก็มีหน้าที่ธนุบำรุงรัตวาศาสานาด้วยปัจจัยเสีคือผ้าหนุงผ้าหอมอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยเช่นกุฏิวิหาร สาราการปรเรียนได้โบสถ์ได้กำแพงวัดหมดนี้นะอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้เป็นทายกทายิกาจะต้องจัดต้องทำเพราะว่าเป็นผู้หาเงินมีเงินมีทองสำหรับภิกสุสมเณี น, นั้นไม่ได้หาเงินหาทองเป็น ผู้เป็นผู้เสียสละโลกียะสมบัติในโลกมาบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแต่บริหารแปดเท่านั้นสำหรับภิกษุสามเณรถ้าจะมีพิเศษกว่านั้นก็ไม่มากอะไรเครื่องใช้เล็กน้อยตามยุคตามสมัยเอ เช่นนาฬิกาสําหรับดูเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นบริขารพิเศษอืมแต่สมัยก่อนนั้นเพื่อนวัดเอาเงาแดดเป็นเกณฑ์ถ้าเงาแดดมันกลงอย่างนี้ก็ถือว่าเที่ยงวันแล้วถ้าเงาแดดมันชายไปก็ถือว่าตอนบ่ายอมันเป็นงั้นมันเป็นไปตามยุคตามสมัย การให้ทานมันเป็นกิจวัตรประจำตัวของมนุษย์เราผู้ที่ยัง้นทุกข์ถึงพระนิพพานไม่ได้เพราะก็จำเป็นต้องบาเพ็ญทานอย่างเงี้ยเลื่อยไปให้ทานปัจจัยสี่นี่เองถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ได้ปัจจัยสี่มามากแล้วก็ไม่หวงไว้บริโภคจำเพาะผู้เดียว ก็แบ่งให้แก่ผู้ที่ไม่มีลาบนั่นอได้ใช้ได้ซ้อยได้บริโภคไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการทําทานของนักบวชเส่นแจกอาหารกันขอบกันชั้นอย่างนี้เราก็ต้องถือเอาความเป็นธรรมนั่นเป็นหลักอความเป็นธรรมก็หมายความว่าเราพยายาม แจกให้สม่ำเสมอกันเท่าที่จะได้ไม่มีลำเอียงอยู่ในใจว่าผู้นี้จะต้องให้มากผู้นี้จะต้องให้น้อยรังเกียจใครก็ให้แต่น้อยชอบพอกับใครก็ให้มากนี่นะนี่แต่ว่าความลำเอียงผู้เป็นกรรมการแจกอาหารนี่จะไม่ลำเอียงอย่างนั้น ต้องถือเอาความยุติธรรมเป็นหลักนี่ก็ชื่อว่าได้ทำทานเหมือนกันนะการแจกการแบ่งอาหารเครื่องใช้ไม่สอยทางต่างให้ทั่วถึงกัน อ, อย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วของแจกถ้าแจกตั้งแต่ รูปที่หนึ่งไปแล้วไปหมดเอารูปที่สิบอย่างนี้นะก็จำไว้คราวหน้ามาได้สิ่งของมาถ้ามันไม่พอแจกทั่วกันก็ต้องแจกตั้งแต่รูปที่สิบเอ็ดไปจนถึงจนของนั้นหมดหรือว่าจนถึงรูปสุดท้าย อันนี้ความเป็นธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ว่าได้สิ่งของมาแล้วก็จะแจกให้แต่ผู้อาวุโสทุกขั้งไปเลยของมีจำกัดแล้วพูดลำดับต่อไปก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะขอให้เข้าใจ ต้องจำเอาไว้มันไม่หนักหนาอะไรหรอกได้บุญกุศลทมการแจกนี่ถ้าเราฉเฉลียวฉลาดรู้จักสิ่งใดควรให้แกไครสิ่งใดไม่ควรให้ก็รู้จักธรรมดาผู้ฉลาดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนยอันนี้เรียกว่าเราทำทาน สำหรับนักบวชเราไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าการขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านข้าบริจาคมาอย่างไรเราก็ได้พบได้ชันอย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นอุบายทำลายตัณหาความอยากในหัวใจของนักบวชให้เบาบางไปถ้าหากว่าเป็นพูด ถือสันโดษีตามมีตามได้จริงๆแล้วมันก็ทำให้ตัณหาความอยากความทะเยอะทะยานในจิตใจนั้นน้อยเบาบางออกไปให้ใหพึ่งพากันเข้าใจถ้ า, ากวาได้อาหารน้อยอย่างนี้ก็น้อยอกน้อยใจอยากจะได้มันมากกว่านี้ สัญหามันก็ไม่เบาบางลงไปให้เข้าใจถ้าหากว่าเราถือสนันติตามมีตามได้จะได้มากก็ดีได้น้อยก็ดีก็ทำใจให้สม่าเสมอไม่อึดอัดขัดข้องไม่น่อยเนื้อตามใจอะไรอันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องปฏิบัติ เราต้องหาฝึกขัดเป็นนักเสียสละในใจไปเรื่อยๆนะนักวชนะเป็นอยงนั้นมันจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังตันหากิเลสมันจึงเบาบางออกไปถ้าหากว่าไม่มีอุบายแยบภายสอนใจตนให้ละความอยากดังกล่าวมานี้นั่นก็ ปัญหาก็ไม่เบาบางเลยขอให้เข้าใจฉะนั้นเราบวชมาจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางออกจีดใจจนความันจะหมดสิ้นไม่ใช่เหรอถามตัวเองดูสิหรือว่าบวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อ จะได้อยู่สุขสบายไม่ต้องทําการทํางานกากรรมลำบากลำบากอาบเหงื่อต่างน้ําเหมือนอย่างตอนอยู่คลองเรือนมาอยู่ในวัดแล้วก็สบายไม่ได้เอาหลังสู้ผ้าหน้าสู้แดดอะไรหน้าสู้ดินหรือว่าคิดเพียงแค่นั้นหรือมาบวชถ้าคิดเพียงแค่นั้นมันก็ ไม่สมบูรณ์แบบตามเจตนารมของการบวชชื่อว่าบวชครองปเวณีเฉยๆปเวณีไทยไทยจระเรียนใบใหญ่โตมาแล้วต้องบวช อายุยังไม่ครบยี่สิบกบวชเป็นสามเณรอายุครบยี่สิบแล้วบวชเป็นพระบวชมาแล้วก็ไม่ทำความเพียรไม่ศึกษาทำวิในเพียงจะมาเล่นมาคุยกันอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าบวชครองประเวณีหรือบวชเล่นบวชลองบวชครองประเวณีอืม พอแต่ไม่ให้ประเพณีมันมันเสื่อมลองเท่านั้นการบวชเช่นนี้ย่อมไม่ได้บุญได้กุศลเท่าไรนักได้กุนนิดหน่อยเท่านั้นแหละมันมกักจะได้โทษอนามากกลวกคุณมาเนี่นะเพราะชีวิตของนักบวดนี่มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ ดังนั้นให้พากันตื่นตัวอืสอนตนอยู่เสมอนะชีวิตของเราเนื่องอยู่ได้วยผู้อื่นนะเราเป็นหนี้บุญหนี้คุณของชาวบ้านนะทํายังไงเราจะใช้หนี้บุญคุณของชาวบ้านได้ความจริงผู้ชาวบ้านพวกเขาให้พู้เขาบริจาคก็ไม่หวังผลตอบแทนจะให้พระไปหาเงินหาทองให้เขา หาอะไรต่ออะไรให้เขาที่ต้องการหาไม่ได้เขาไม่ได้มุ่งอย่างนั้นเลยเขาให้ทานมามันก็มีจุดหมายอสองอย่างคืออย่างหนึ่งที่ว่าเป็นการธนุบํารุงวัดวาศาสนาให้เจริญสืบต่อกันไปอย่างที่สองก็เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศล บุญกุศลจะได้นำตนให้มีความสุขใพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับให้ผู้บริจาคทานเขาก็มุ่งสองประการนี้เองดังนั้นเราผู้รับทานก็ต้องมุ่งสองประการเหมือนกันสองประการก็รับทานผ้านุ่งผ้าห่มกัสสำหรับมานุ่งห่มเพื่อ ป้องกันแดดลมฝนหรือว่าสัตว์บางชนิดที่มารบ ก, กวนเช่นลินยุงเป็นต้นห ร, ห, รหรือป้องกันความละอายนี่อันก็ต้องพิจารณาอย่างนี้การลุ่งห่มผ้าไกลจีวร ได้ผ้าไกลจีวรมาแต่เราจะเปลี่ยนผ้าไกลจีวร น, นุ่งห่มจีวรชุดเดิมมันชำรุดสุดโทรมไปก็พิจารณาสินทุกอธิษฐานแล้วก็พิจารณาให้รู้ความมุ่งหมายของการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มตามคำสอนของพระเจ้า เราไม่ได้นุ่งได้ห่มเพื่อความสวยงามอะไรเพื่อปกปิดป้องกันอายอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันสัตว์เล็กๆน้อยๆมันมารบกวนเส่นลิ้นยงุงหรือป้องกันความหนาวเหน็บป้องกันความร้อนแดดเผาถ้าหากว่าไม่มีผ้าห่มห่อไว้ หนังมันก็จะเกลียมเข้าไปทามันร้อนมากๆอย่างนี้การขบการถันอาหารก็เหมือนกันก็ต้องพิจารณาก่อนเราฉันอาหารนี่เพื่ออนุเคราะห์มโภชนให้เป็นไปพูดง่ายๆว่าเมื่อเราได้ฉันอาหารบำรุงร่างกาย มีกำลังดีแล้วเราก็จะตั้งใจเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์นี่เรียกว่าอนุเคราะห์พรมจรรย์นนะอย่างั้นแล้กวก็ไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อความอ้วนพีเพื่อความสวยงามอะไรบริโภคอาหารพอประทังชีวิตให้เป็นอยู่ได้ ได้ประพฤติพรมจรรย์ปฏิบัติตามธรรมตามวินัยคำสองของพระเจ้าเพื่อกำจัดอาสวะกิเลสที่มีอยู่ในใจให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปการอยู่อาศัยเสนาสนะที่อยู่อาศัยเส้นกุฏิหรือศาลาการประเรียน หรือว่าโบสวิหานอะไรโมนีนะเราต้องพิจารณาให้รู้เท่าให้รู้ก่อนว่าเสนาสะนะเหล่านี้ที่ทำไว้ก็เพื่ออยู่อาศัยเจริญสมถาวิีพัฒนาของนักบวชญาตโยมพูกเขาเจตนาสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักบวชได้อยู่อาศัย จเจริญธรรมชาติอภัฒนากำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยบาวางหรือหมดไปสิ้นไปไอเสนาชนะเหล่านี้มันก็มีแต่เพียงแต่ธาตุดินเท่านั้นเองพวกโลหะพวกไม้พวกอิดพวกปูนอะไรนี่มันก็จะเข้าเป็นจพวกธาตุดิน น, นี่าพิจารณาเห็นเป็นแต่สักแต่ว่าธาตุดินไม่ ใช่ของเราของเขาอะไรเลยอย่างนี้เนะี่ยนั่นแหละชื่อว่ารู้เท่าเมื่อพิจารณาแล้วเราจึงอยู่จึงอาศัยมันก็ไม่เกิดโทษอะไรไม่เกิดกิเลสอะไระถ้าหากว่าไม่พิจารณาอย่างนี้ได้อยู่เสนาสนะที่ดีดี ได้ที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มแล้วก็ดีอกดีใจสนุกนอนไม่รู้จกตื่นอย่างนี้นี่มันเป็นโทษนะให้เข้าใจมันเป็นโทษมันเป็นการนอนเพื่อสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจดังนั้นต้องเข้าใจต้องพิจารณาเราเป็นนักบวชมาแล้ว ไม่ใช่บวชมาเพื่อสะสมโทษหรือสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจเราบวชมาเพื่อชำระ ก, กิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปแม้หยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันถ้าผู้ใดไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรก็ไม่ควรที่จะไปบริโภค ไอ้ไอ้ของเช่นขามป้อมสมอผักหนอกหรืออะไรต่ออะไรก็ทำมนะไอ้ที่เป็นยาวชีวิตรับประเันแล้วฉันไม่ฉันได้ตลอดชีวิตเมื่อผู้ใดไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ไม่ควรที่จะไปชื่นชมยินดี บชั้นของเหล่านั้นเว้นเสียแต่ผู้ใดเป็นโรคท้องผูกอย่างนี้นะเราฉันคำป้อมสมอเพื่อระ บ, บายท้องไม่ท้องผูกอย่างนี้ก็จึงค่อยฉันกันหรือว่าร่างกายมันอ่อนเพลีย ฉันไม่ค่อยได้ฉันอาหารไม่ค่อยได้อย่างนี้แล้วมันได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นนี่เราฉันเป็นยาสำหรับบาบัดทุกขเวทนาให้มันเบาบางลงก็ให้คิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็พิดาลงไปไปถึงเป็นาธาตุนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นาธานตะุนั่นอ่ อาหารการบริโภคยุคยาวนี้ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดมันก็แตกก็ดับลงสู่พื้นดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่านั่นแหละดังแสดงมา